ก็อยู่ในบรรยากาศเสวนาเสวานิดนึงนะได้บรรยากาศดีเราก็มาถึงเนี่ยบ้านสารีเนาะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะแม้เราใช้รถเดินทางนะแต่เราก็ยังเห็นว่ามันก็ไกลนะมีการขึ้นเขาลงเขาทางคดเคี้ยว ไม่มีหมู่บ้านน ะ, ะก็ไปทางที่ตอนที่เดินทวดงก็ค่อนข้างลำบากเยู่เพราะมันไกลมากก็่จะมาถึงก็ค่ำมืดเลยนะเขามีพัธทดงหลายหลายลูกก็เคยเดินเส้นนี้นะเขาก็แต่ก็ต้องแบบตั้งใจว่าเดินให้มันถึงเลยเพราะว่าในระหว่างทางมันก็ไม่มีที่พัก มันก็เป็นรสชาตินะเวลาเดินทางแบบทุดดงหรือว่าแม้จะเป็นเดินทางแบบอื่นก็ดีถ้าเราเราไม่ต้องกําหนดจุดหมายอะไรแบบชัดเจนมากนะเรียกว่าเอาตามเหตุตามปัจจัยนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะชีวิตมันก็มีรสชาติดีงนะเพราะว่าชีวิตแบบคนทั่วไปบางทีเราก็จะกังวลเรื่อง ความปลอดภัยหรือว่าเราก็จะมีแผนที่ตายตัวแล้วก็ต้องรีบทำให้มันได้ตามแผนนะคือถ้าไม่ถ้าทำไม่ได้ตามแผนก็จะรู้สึกเครียดนะรู้สึกว่าตัวเองวันนี้ทำทาไม่สำเร็จนะชีวิตหลายคนที่ยุ่งกับเรื่องแผนงานกำหนดการอะไรต่างๆมากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเครียด ได้ง่ายนะแต่แน่นอนบางทีมันทํางานเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะการที่ต้องมีแผน ง, งานมีกําหนดการชัดเจนสักหน่อยมันก็จําเป็นเพราะว่ามันต้อ ง, ม, องมันต้องประชาสัมพันธ์หรือต้องนะมีการเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะอันนั้นก็เป็นความจําเป็นแบบในการทํางานโดยภาพรวมนะแต่บางทีชีวิตเราบางทีมันก็ ถ้ามันไม่มีความจะเป็นแบบนั้นมากนะการใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ต้องมีกำหนดตายตัวมากนะไปเรื่อยๆเนะี่ยมันสบายดีนะสบายแบบไปเรื่อยๆนะค่ำไหนนอนนั่นนะหรือแม้แต่การที่เรามาพักอาศัยนะมันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่แบบทำให้เราได้โปรดโปรดสัตว์นะโปรดญาติโยม การบิณฑบาตบางทีาบางทีพระเองก็ดีหรือโยมเองก็ดีก็จะมองว่าคือการที่พระธรรมขออาหารนะมาขอปัจจัยเพื่อเพื่อนำมารับประทานเองก็ดีหลือนำไปใช้ส่วนอื่นก็ดีมันก็ถูกเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่สมัย พุทธการเองพระพุทธเจ้าเวลาท่านตื่นจากบัรทมขึ้นมาท่านก็ก็มานั่งพิจารณาว่านะวันนี้มีมีใครนะที่อยู่ในพระแสะยานของท่านที่จะไปโปรดดีนั้นการที่ท่านออกไปเดินบินธบาทเส้นทางไหนนะหรือจอดจงไปหาที่บ้านใครเนี่ยคือท่านต้องการไปโปรด ัคนนั้นนะคือโปรดให้เขาได้ใดดวงตาเห็นธรรมนะหรือบางคนก็อาจจะได้มีศรัทธาตั้งมั่นขึ้นนั้นในในพุทธกิจของพระพุทธเจ้านะนะที่ที่ชาพวกเราเรียกว่าไปออกไปบินทบาทนะแต่พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าท่านออกออกไปโปรดสัตว์นะไปโปรด ถ, ถึงหน้าบ้านเขาเลยนะ คนที่ยังไม่มีศรัท ธ, ธาก็ได้มีศรัท ธ, ธามากขึ้นคนที่มีศรัท ธ, ธาแล้วนะพอได้เห็นกิริยาพอได้ฟังธรรมจากพระพทองค์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกันกันเยอะเลยบางคนอาจจะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ได้โอกาสทำบุญใสนะ่เรียกว่าบางทีเป็นข้าวจีนะ แป้งเอามาจนะีเอามาใส่บาทเพระพุทธเจ้านะชาวบ้านยากจนเขาคิดนะพระองค์จะฉันของเราหรือเปล่านะ้อพระพุทธเจ้าเขารู้ความคิดนะก็สักพากก็นั่งลงแล้วก็ฉันฉนะันพระตาหารที่เขาถวายเมื่อสักครู่นี้นะนะเขาตายไปเขาก็ได้บุญได้เกิดเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะ เพราะผลจากการทำทานเช่นนั้นจิตใจมีบุญกุศลขึ้นมานั้นการที่พวกเราออกเดินทางแม้จะเป็นทุ่วดงด้วยด้วยรถแบบนี้นะหรือตอนที่เราเดินทุ่ดงจริงๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆนอกจากเราไปเรียกว่าไปแสวงหาอาหารเพื่อมารับประทานธาตุคันให้ให้อยู่ได้นะ ที่จริงมันก็เป็นการโปรดสัตว์ในแง่หนึ่งนะโปรดคนที่ที่เขายังไม่มีศรัทธานะเขาให้ได้มีศรัทธาเห็นพระหมู่มากเห็นแม่ชีเห็นโยมมาหมู่มากเขาก็มีศรัทธานะอยากจะร่วมทำบุญใส่บาตรนะเพราะว่าบางปีก็คืนาน่านมีพระหมู่ใหญ่มาหรือพระทวดองท่านจาดิกมาเนี่ย หลายคนก็ทำบุญถือโอกาสได้ทำบุญก็เป็นการโปรดให้เขาได้รู้จักทำเรียกว่าทานนัยนะบางคนก็พอได้ฟังธรรมพอได้ศึกษาธรรมะจากพระเหล่านั้นก็ได้เกิดความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการรักษาศีลความ ความสำคัญของพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องไหนโดยเฉพาะเรื่องการภาวนานะทำอย่างไรอยู่เนี่ยนะพระทุดงสมัยก่อนเวลาท่านทุดง o n นะครูบาอาจารย์สมัยหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านเดินทางไปที่ไหนบางทีก็ได้ลูกศิษย์แถวหมู่บ้านที่ผ่านนั่นแหละนะขอมาเปรณารับใช้นะ ขออยู่ด้วยพอท่านจะไปก็ขอมันคนก็ขอบวชนะบวชนนหรือถือเป็นพระขาวนะติดตามไปพออายุสมควรก็บวชพระนะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ที่มีความมีจริยวัดที่งดงามมีคนศรัทธามากขึ้นก็อาศัยการทุดดงนะเป็นการโปรดสัตว์โปรดคนที่เขาเขา มีอินทรีย์พร้อมเขาก็ได้เจริญนในสมณเพศที่สูงขึ้นหนระือเราเห็นเนาะแบบเวลาอันนี้เราอาจจะแค่เดินทางไม่กี่วั น, นแต่ก็จะเห็นว่าวัดร้างมันมีเยอะเลยนะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยวัดร้างตามหมู่บ้านชนบทนมีเยอะเวลาพวกเราเดนิดนทุ่ตรงจริงๆก็ ดีก็จะเลือกนะเลือกป่าช้าบ้างนะถ้าป่าช้าพอมีห้องน้ําหรือว่ามีน้ําอาศัยนิดนึงก็เลือกป่าช้าเพราะว่ามันปีกจากชุมชนสักหน่อยนะห า, ากจะชุมชนกิโลนึ ง, งนะเข้าไปบินทบาทก็ก็สะดวกนะแล้วก็ตอนคืนก็ไม่มีเสียงดังรบกวนนะหรือถ้าไม่มีป่าช้าหรือป่าช้าบ้านไหนไม่สะดวกนะเราก็เลือก อย่างวัดล้างอะไเนี่นะวัดล้างพระท่านไม่อยู่มานานแล้วหรือไปธุระชั่วคราวเนี่ยการที่เราไปก็เหมือนเช่นไปปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดวัดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทําบุญในแง่เนื้อนะะไปทําความสะอาดวัดนะที่เส้าหมองให้เรียกว่าสวยงามขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นบุญเนยนะ แล้วเวลาเราไปบินธบาตินะ่นะญาโยมเขาไม่ได้ใส่บาตรมาหลายวันแล้วไม่มีหลวงพ่อไม่มีพระอาจารย์อยู่นะ่ะเขาก็ได้โอกาสทําบุญนะ่ะหรือบางคนก็มาฟังนะมาดูอยู่ที่วัดนะ่ะบางที่โยมมาสวดมนต์ด้วยนะมาฟังทำด้วยอย่างเนี้ยโอเขาก็ได้บุญได้อันนี้สองตัวนั้นขึ้นไปขึ้นเรื่อย แต่ก็อย่างว่านะบางทีในขณะที่ทุ ด, ดงเดินทางก็อยู่ที่ไหนไม่นานนะพอไปเรื่อยๆนะเพื่อไปศึกษาตัวเราเองด้วยแล้วก็ไปโปรดนะญาติโยมด้วยนั้นพอเราเห็นอย่างเช่นวัดร้างเยอะเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกนะแบบอืมแต่ก่อนมันก็คิดในใจแล้ว โเราไม่สร้างวัดใหม่แน่นอนนะคือวัดร้างในเมืองไทยนี่มีเยอะมากนะถ้าอยากจะอยู่ที่ไหนเนี่ยคิดว่าไม่ยากนะหาที่ที่มาสัตวป่ายะหาที่ที่ถ้าเราก็ไปช่วยจันทร์ปูรณะนี่ก็ก็โอเคแล้วเนะี่ยถ้าถ้าจะนั้นนะแต่ที่อโศมก็ไม่เหมือนกับกึ่งเราสร้างเองนะเขามีคนนำดิจะสร้างก่อนเราไปต่อยอดเพราะไม่เคยคิดว่าแบบ จะไปหาที่แปลงใหม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็สร้างวัดนี่ไม่เคยไม่เคยรู้สึกเี่ยเพราะรู้สึกว่าอนาคตนะพระจะน้อยลงนะหรือถ้าบวชก็บวชสั้นๆนะแต่วัดที่สร้างไว้เนะี่ยมีเยอะมากนะหาพระมาอยู่ไม่พอแน่นอนหรือบางครั้งต้องญาติโยมต้องการพระอยู่ก็แบบ บางทีก็เลี้ยงพระเพื่อให้ท่านได้เฝ้าวัดแบบนี้นะบางทีท่านทําผิดหรือว่าต้องการอะไรที่มันไม่เหมาะสมบางทีโยมก็ก็ปล่อยเลยตามเลยหรือว่าก็อืมเอาให้ท่านนะเพราะว่าแบบอย่างน้อยก็มีพระเฝ้าวัดนะบางทีพระที่เฝ้าวัดไม่ได้นับถือในเชิงความเป็นพระนะแต่มันเหมือนคล้าย เป็นพานพานโรงนะเฝ้าโรงเรียนนะสิ่งที่หวังก็คือหวังให้ท่านนะดูแลนะเสนาสนะบ้างนะปัดกวาิเ็ดถูตัดหญ้าแค่นั้นแหละนะไม่ได้มีความศรัทธาจริงๆนะแต่อาจจะความศรัทธานะอาจจะไม่ให้เกิดเฉกยมด้วยก็อาจจะเกิดจากตัวพระเองท่านก็อาจจะไม่รู้สิ่งที่ควรศึกษาปฏิบัตินะ ผมว่างานที่สำคัญมากนะคืองานสร้างพระงานสร้างพระเพื่อถ้าเราลองคิดดูนะถ้ามีสำนักไหนที่ไหนที่สร้างพระนะให้มีความให้มีศีลมีรู้จักวิธีปฏิบัติธรรมนะแล้วก็สามารถสั่งสอนญาติโยมได้ด้วยเนะี่ยหมู่บ้านนั้นก็ น่าจะมีคนที่มีศรัทธามากขึ้นมีคนที่เข้าใจเรื่องธรรมะเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นหมู่บ้านหนึ่งอาจจะสมมติอาจจะร้อยหลังคาเรือนคนสามสี่ร้อยคนนะก็อาจจะมีคนศรัทธาสมมติหนึ่งในสี่นะสมมติร้อยคนนะก็ เ, เกิดประโยชน์นะสร้างพระหนึ่งรูปนะทำให้คนเขาได้ประโยชน์ อย่างน้อยในชุมชนนั้นหนึ่งก็ร้อยคนแบเนี้อาจจะมีคนจากชุมชนอื่นเข้ามาทำบุญมาฟังธรรมด้วยก็อาจจะมีเหมือนกันเรื่องการสร้างพระที่เรียกว่ามีคุณภาพเนาะหนึ่งรูปเนี่ยก็เกิดอานิสงส์อีกหลายอย่างมากเลยนะดังนั้นใดๆรูปแบบยังเป็นพระใหม่ก็ดีหรือว่าเป็นพระนวักกะ เป็นพระมัชิมะแล้วก็ดีนะผมว่ามันก็น่าคิดน ะ, ะการที่เราถ้าถ้าถ้าเราได้สร้างตัวเองให้มันมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นการที่เราจะไปต่อยอดในการบำรุงพุทธศาสนาในอีกมุมหนึ่งนะแต่บางทีพระสมัยนีย้เน้นไม่ค่อยเน้นสร้างคน เน้นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารสร้างกำแพงสร้างอะไรก็ไม่รู้นะไปสร้างวัตถุนะแข่งกับโยมนะอันนั้นหน้าที่ของโยมนะที่สร้างสิ่งของที่จะมาช่วยนะแต่พระเนี่ยหน้าที่หลักคือสร้างตัวเองให้มีความเป็นพระแล้วก็ไปสร้างโยมให้เขามีศีลมีธรรมเนะี่ย อันนี้คือหน้าที่ที่สาคัญมากนั้นหรือแม้แต่ญาติโยมนะส่งเสริมพระที่ท่านตั้งใจทำแบบนี้เนะี่ยก็ได้อ น, นิสงส์งเยอะนะเพราะว่ามันเป็นการที่เราจะไปสร้างคนต่อไปคล้ายๆเหมือนสร้างครูนะขึ้นมานะครูขึ้นมาคนหนึ่งก็สอนลูกศิษย์ได้นะอีกหลายร้อยหลายพันคนสร้างหมอขึ้นมาคนหนึ่งก็ช่วยชีวิตคน ได้ปีหนึ่งก็เป็นหลายพันหลายหมื่นคนแบบนี้เนาะ่าโจมเองถ้าเนี่ยแหละมีความฉลาดในการที่สร้างในการดูแลผสมองค์เจ้านะก็คือเป็นการเสริมบำรุงพุทธศาสนาในแง่มุมหนึ่งหรือแม้แต่บางครั้งเราอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นคารวาสมี งานมีครอบครัวแต่การสร้างพระในใจของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะนี่ถ้าเรามีศีลมีธรรมนะขึ้นในใจของเราแม้บางครั้งสถานะบางอย่างอาจจะไม่ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนในการเทศสอนอบรมนะแต่คิดว่าถ้าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยอย่างนั้นก็ผลรอบตัวเรา นคนในที่ทํางานเราคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแต้เ อ, อ้อคนนี้เข้าวัดหรือคนนี้สนใจธรรมะหรืออาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัด <c oughs> เขาก็ใจเย็นขึ้นเขาก็สงบขึ้นเนี่ยเขาก็มีเมตตามากขึ้นเนี่ย <c oughs> เขาก็เกิดความศรัทธาในในพระศาสนามากขึ้นนะเนี่ยเราก็เป็นส่วนไปการไปช่วย ญาติี่น้องเราหรือคนใกล้ตัวเราด้วยก็ได้นะบางทีพระเองบางทีพูดบางอย่างก็พูดไม่ค่อยได้เต็มปากเต็มคำนักธรรมามแบบสอนโยมในบางเรื่องนะหรือบางทีมันก็อาจจะมีช่องว่างนะช่องว่างหลายคนไม่กล้าเข้ามาคุยกับพระนะเพราะไม่คุ้นนะแต่ถ้าคุยกับโยมด้วยกันอรนยะกับแม่ชีอาจจะรู้สึกว่า คุ้นเคยกว่าหรือว่าไม่ไม่เกรงกลัวมากกว่าเท่าไร่เนี่ยมันก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็เลยฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาพิษุพิษุนีนะฝากไว้ทั้งหมดเลยนะแต่โยมสมัยนี้บางทีฝากพุทธศาสนาไว้กับพระแล้วก็คอยมองว่าพระไหนดีอ่ะเราก็แห่กันไป ถ้าไหนไม่ดีก็ด่ากันวิจารณ์กันนะที่จริงท่านดีก็ชื่นชมก็ได้แต่ไม่ต้องแห่ไปทั้งหมดก็ได้น ะ, ะบางทีก็ดูที่ไหนที่ท่านขาดแคลนที่ท่านที่ท่านมีมีความตั้งใจดีก็ไปส่งเสริมท่านนะก็มันก็ช่วยให้เราได้เรียกว่าต่อยอดพระศาสนาไปในแง่หนึ่ง เวลาเราไปทุ่งตรงก็เหมือนกันนะบางทีเจอครูบาอาจารย์เจอแม้แต่พระบางทีอาจจะอายุพรรษาไม่มากนะแต่หลายรูปตั้งใจนะตั้งใจสอนบางทีเริ่มสอนจากศีลและธรรมนะบางทีเป็นชาวเขาไม่รู้พุทธศาสนามาก่อนนะเขานับถือผีนะอืมค่อยๆสอนเอ่ค่อยๆให้เขาศรัทธานิดหน่อยค่อยๆหาอุบายให้ ให้ลูกหลานเขามาบวชเนแบบนี้นนะพอลูกหลานบวชเนนก็ดึงพ่อดึงแม่เขาวัดมากขึ้นนะ เ, ออเริ่มรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไรนะค่อยๆเลิกถือผีถือความงมงายตะเก่าออกไปหลายรูปก็เป็นแบบนี้นะแต่หลายรูปท่านก็ไม่ไม่เก่งในกนอุบายสอนแต่ท่านก็ทำตัวมีศีลมีธรรมหน้าเคารพ อาจจะพูดไม่มากนะแต่กิริยาท่าทางของท่านเนี่ยก็น่าเคารพเรียบร้อยเนี่ก็ก็มีเยอะนะตามป่าตามเขาตามชนบทเนี่ยก็มีพระแบบนี้เยอะตามในเมืองตามหมู่บ้านก็คงมีเหมือนกันนั่นแหละนะมีเหมือนกันกระจายกันไปทั่วนะนั้นอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่ก็อยู่ในรุ่นพวกเราก็ถ้าเราทำได้เท่าไหร่ก็ ก็ช่วยกันทำนะช่วยกันทำกันให้สุดความสามารถเนี่ยอย่างบางทีเราเห็นคนต่างชาติมาเดียนธรรมะที่เมืองไทยเราเห็นเลยมันยากยากด้วยภาษายากด้วยความวัฒนธรรมยากด้วยความเคยชินที่เขาฝึกขัดมาเนี่ยมันก็ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยช่วยเนี่ยก็ทำให้เขาก็โอกาสตรงนั้นน้อยมีครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกว่า บันทีเองไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าเนี่ยพุทธศาสนาก็อาจจะค่อยๆเสื่อมหรือใกล้จะหมดจากเมือไทยแล้วนะถ้าใครอยากจะไปเรียนธรรมะเนี่อาจจะต้องไปเรียนที่ต่างประเทศ <S <S ก็คิดถึงว่าถ้าเราต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปเรียนธรรมะไกลๆเนี่ยโอ้มันยากนะยากด้วยภาษายากด้วยการเดินทางยากด้วยสภาพอากาศ อาหารการกินต่างๆที่มันมิคุ้นป่ากันนะมันยากนะอืมนั้นพวกเราโชคดีทํานาดไหนลราชาตินี้นะได้เกิดเป็นคนไทยได้เกิดในวัฒนธรรมนะที่มีพุทธศาสนาเป็นแกนอะไร น, น, นนะได้ฟังธรรมที่เราก็เข้าใจด้วยตัวของเราเองไม่ต้องผ่านจากความเข้าใจของคนแปลนะ แต่เราจะเข้าใจธรรมได้ด้วยตัวของเราเองหรือเปล่าเนะ่ก็ต้องอยู่ที่การฝึกหัดตัวเราเองนะบางทภีภาษาคนภาษาสมมตินะก็าอาจจะเข้าใจโดยสมองโดยความคิดนะแต่าการเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านจากการกรองจากการปฏิบัตินะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบางทีอ่านดูเหมือนจะง่าย เหมือนจะเข้าใจแต่เราต้องปฏิบัตินะมัอถึงจะเข้าใจในตัวของเราเองนะต้องพยายามฝึกหัดปฏิบัตินะมันถึงจะเข้าใจนะอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เราก็จะได้ไปเป็นแบบอย่างก็ดีหรือว่าแนะนำสัมสอนคนอื่นก็ดีได้ถูกต้องนะมากขึ้นก็ฝากฟไปครับนะ